วันนี้ธรรมะเขาจะพูดเรื่องลาต่งตางๆนํามาเล่าคิดได้ก็ก็จะพูดจนกว่าจะเวลาจะหมดอย่างคนเราจะบองข้ามอยู่จุดหนึ่งคือจะมีความรู้สึกว่าการแสดงธรรมเนี่ยจะต้องพูดให้ฟังเท่านั้นแต่ที่จริงการฟังธรรมเนี่ยบางครั้งก็เป็นการแสดงธรรมได้ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องนี้อรรมายกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่งมิชายู่คนหนึ่ง ชื่อว่าสมนึกสมนึกตอนนี้ป่วยหนักใกล้จะตายแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลญาติพี่น้องก็เป็นห่วงจึงรีบไปตามหลวงพ่อที่ตัวเองนับถือมาเพื่อจะประเทศโปรดสมนึกให้ตายจะได้ไปสู่สุคติหลวงพ่อก็รีบมาพอหลวงพ่อมาเจอหน้าสมนึกหลวงพ่อก็รีบรีบเทสทันทีเลยบอกว่า เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อให้สมนึกปล่อยวางแต่สมนึกอึดอัดมากพยายามจะบอกอะไรกับหลวงพ่อพยายามจะยกมือแล้วก็สีหน้าเครียดมากแต่หลวงพ่อก็บอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอฟังเทศก่อนแล้วก็เทศต่อไปอยู่นั่นแหละสมนึกก็เครียดหนักเข้าอีกจะบอกอีกหลวงพ่อก็บอกไม่ต้องไม่ต้องขอเทศต่อ สมมติเขรวบรวมลมหายใจครับเคื่องสุดท้ายขอขอให้ญาติส่งกระดาษและปากกามาขอได้กระดาษปากกามาก็เขียนพอเขียนได้สักพักหนึ่งก็หมดลมหายใจหลวงพ่อจะเก็บกระดาษที่สมนึกเขียนไว้โดยจะไม่อ่านตอนนั้นกล่ะว่าเดี๋ยวอ่านตอนบรรจุศพคันถึงเวลาบรรจุศพหลวงพ่อก็เปิด ตอนแรกตอนแรกก็ไม่เปิดก่อนคอยเกินหัวนำว่าสมนึกเนี่ยเป็นคนห่วงญาติขนาดจะตายยังเขียนกระดาษสั่งเสียเป็นคนดีมากแล้วก็ค่อยๆขีกระดาษออกอ่านด้วยเสียงดังๆว่าถอยออกไปอย่าเยียบสายออกซิเจน ส, สรุปแล้วสมนึกตายเพราะหลวงพ่อเยียบสายออกซิเจนนะ พ่อหลวงพ่อรีบร้อนไม่ฟังสมนึกจะเทศให้ฟังอย่างเดียวอาการสมนึกเลยซุดลงเรื่อยๆแล้วก็ตายแทนที่จะไปดีอันที่ไปแทุกขติในมีตัวอย่างหนึ่งว่าบางครั้งการฟังเนี่ยก็คือการแสดงธรรมเราสามารถฟังคนที่อึดอัดอักอัน้นอยากระบายให้เขาได้ปลดปล่อยทำให้เขาหมดทุกข์ได้ เพราะเก็บกดไว้อยากระบายก็ไม่ได้ระบายอยากพูดก็ไม่ได้พูดซึ่งคนแสดงก็อยากพูดอย่างเดียวอย่าเงี้ยบางครั้งเขาก็ไม่เกิดประโยชน์นั้นการฟังเนี่ยก็เป็นการแสดงถามได้เหมือนกันเรื่องต่อมาโดยทั่วไปเนี่ยคนเรามักจะเข้าใจผ้าผิดๆก็เยอะหรือเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้อย่างในนิทานเรื่องนี้ที่ หมู่บ้านนาโกมีผู้ใหญ่โกเป็นผู้ใหญ่บ้านวันหนึ่งก็ได้จัดงานนิมนต์พระมาฉานพัฒอาหารทําบุญทําบุญฉลองบ้านใหม่อปแปะหรือตะแปะซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ใหญ่โกก็มาร่วมงานด้วยตะแปะมาจากต่างถิ่น แต่แกเข้าใจพุทธศาสนาแบบผิดๆแกก็ร่วมร่วมร่วมฟังพระสวดมนต์มีช่วงหนึ่งพระพอฉายพัฒฐ า, ารเสร็จแล้วก็ให้พรเจ้าภาพก็คือผู้ใหญ่โกพระก็พระก็สวดว่า อายุวัตะโกธานาวัตโกสิริวัตะโกยาสาพาตวัตะโกพลาละวัตะโกวันวัตะโกสุขวัตะโกซึ่งตะแเปเนี่ฟังแล้วปลื้มใจมากเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้เขามีการให้พรเจ้าภาพด้วยการเอ่ยชื่อแล้วเหรอเมื่อก่อนก็คิดว่ามีเฉพาะประกาศทางไมโครโฟนว่าคนนู้นทาบุญทางนู้นเท่านี้ พอตาแป๊ะมีความสุขมากก็เลยบอกผู้ใหญ่โกช่วยนิมนต์พาชุดนี้ไปบ้านอ้วด้วยเดี๋ยวอ้วจะจัดจัดให้ฉันอาหารขึ้นบ้านใหม่มัง่งหรือทำบุญบ้านเนี่ยแต่ห้ามนิมนต์ชุดอื่นนะเจาะจงเฉพาะชุดนี้เท่านั้นผู้ใหญ่โกรับปากแล้วก็นิมนต์พาชุดนี้มาแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงเมื่อพาสง ฉันพระอาหารเสร็จแล้วจนถึงเวลาให้พรพระก็คนนําอายุวัฒนโกธานาวัฒนโกสิริวัฒนโกยาสวัฒนโกต่แปะ๊ะก็ผิดหวังบอกเลยรีบสกิดบอกว่าชื่อตะแปะนะไม่ชื่อโกจําผิดหรือเปล่าพระที่บ่าด้วยก็รู้ว่าตะแปะคิดอะไรอยู่ก็เลยส่งซิกไอหัวหน้าที่นําบอกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ เ, หมเอาใจาเจ้าภาพหน่อย พาหัวหน้าที่เป็นคนนำก็ขึ้นว่าอายุวัดตะแปะธนวัตตะแปะยาสาวัตตะแปะตะแปะได้ฟังก็ปื้มใจใหญ่เลยเกิดปิติมากมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้ห่อหอหอนิทานเริ่มนี้ก็จบซึ่งโดยมากคนเราก็จะมีความเข้าใจผิดอยู่มากคิดว่าพดเนี่ยบางครั้งก็เป็นบุรุษไปรณีต้องส่งของให้คนตายบ้างหรือไม่ก็มองว่า เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์บ้างเพราะโดยธรรมดาแล้วพระเนี่ยมีหน้าที่สอนคนให้ออกจากกองทุกข์หรือหรือผู้ไ้โยมเนี่ยเห็นผิดเป็นถูกคือสอนกว่าสิ่งที่ถูกต้องให้ไงให้เห็นว่าเนี่ยชีวิตเปของไม่เที่ยงเกิดเจ็บอยบตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่ายึดมั่นถือมั่นรู้จักปล่อยวางบ้าง แต่คนไม่ค่อยมองจุดนี้ไงคนมองว่าจุดว่าพ้าเนี่ยต้องให้หวยต้องให้โชคลาบช่วยสะดเดาะเคราะห์หรือทำให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยต่างๆก็ต้อ ง, งคิดถึงพ้าก่อนแต่ก็ดีดีกว่าไม่คิดแต่เวลาคนเมาก็ยกแก้วรล้าข้าบัวพระก็มีเพราะว่าเข้าใจพ้าผิดผิดที่เ c e b o o k อัลมาเนี่ยพอถึงวันพ้าเนี่ย เราจะมีเรื่องเล่าวันพระของอาจารย์เปสารซึ่งท่านจะเขียนไว้เกี่ยวกับปฏิประทานครูบาอาจารย์ต่างๆนำมาลง ว, วันพระก็จะลงครั้งหนึ่งเรื่องที่เรามาลงบ่อยก็คือสมเด็จโตเดีย๋ยวเล่าให้ญาติโยมฟังสมเด็จโตเนี่ยถ้าเป็นพระที่ไม่ยึด ต, ติดกับลาบสักระ และชื่อเสียงทั้งที่ท่านเนี่ยมีสัมมาสักชั้นสูงแต่ผู้คนก็บองท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์แต่ตัวตัวของสมเด็จโตเนี่ยถ้ามีเมตตามากไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แต่ท่านก็ทำตัวแปลกๆโดยปกติเนี่ยพระระดับสมเด็จจะต้องมีคนเจาเรือให้แต่บางครั้งท่านก็เจาเรือเองใช้ชีวิตติดดินมีเรื่องเล่า อยู่ครั้งหนึงท่านไปไปไปเทศที่จังหวัดนนขากลับเนี่ยเจ้าภาพก็ให้ผูเมียสองคนเนี่ยช่วยพายเรือมาส่งท่านที่วัด ล, ลักขงระหว่างพายเรือมาเนี่ยภู้เมียคู่นี้ก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงด่าไปด่ามาข้ามหัวสุเบตโตสุเบตโตก็บอยสองคนเนี่ยมานั่งที่ประุนแล้วท่านก็ไปเจียเรือเอง จนถึงวัดละครังซึ่งเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าสมเด็จเนี่ยท่านจะเจวเรือเองและเรื่องที่คนเก่ากกล่าวขวัญกันมากก็คือเรื่องที่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปสวดมนต์ที่แถวลาดบัวณาเออเรช่วงนั้นเป็นช่วงที่หน้าแลง้งเรือไม่สามารถเข้าคลองได้ต้องต้องลงมาเข็นเรือคือสมเด็จโตไปกับเนน ท่านก็ลงมาเข็นขณะที่เข็นอยู่นั้นชาวบ้านแถวนั้นก็บอกสมเด็จเข็นเรือโว้ยสมเด็จเข็นเรือโว้ยสมเด็จโตก็บอกว่าฉันชื่อขัวโตจ้าไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่บนเรือคือพัดยศแล้วก็ชี้ไปที่พัดยศชาวบ้านกลุ่มนั้นก็ไปช่วยเข็นเรือไปจนไปบ้านงานจนได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าท่านเนี่ยไม่ติดกับ ยศศักใช้วิติอินตลอดบางครั้งก็น้าแก้ปัญหาให้ลูกวัดก็มีมีอครั้งนึงพระลูกวัดเนี่ยทะเลาะกันด่ากันไปด่ากันมาท่านเห็นเข้าก็ <c oughs> าไปนำดอกไม้ทุบเทียนใส่พานแล้วก็ไปกราบพระสองคนที่กำลังทะเลาะกันอยู่ซึ่งพระสองคนนั้นไม่ไม่มีใครยอมใครนะคือกลาลังติดอารมณ์อยู่พอสำเร็จตัวมากาบ ก็ตกกจสมเด็จโตผู้ทํานองว่าเก่งเหลือเกินพ่อคุณลูกขอฝากตัวด้วยเก่งจริงๆช่วยคุ้มครองด้วยนะพ่อจับระคูลลูกวัดก็รีบกราบขอเข้ามาสมเด็จโตใหญ่แล้วก็เลิกทะเลาะ ก, กันสำนึกผิดขอโทษขอโพยกันเนรื่องนี้ก็จบกันด้วยดี คือสมเด็จโตไม่ได้ช่วยเฉพาะวัดตัวเองเท่านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็ช่วยวัดอื่นด้วยมีพระอุปวัดของพระวัชะนะสงฆามชื่อว่าพระเทศ พ, พระเทศวันวันวันนี้เกิดไปมีเรื่องกับพระครูดมชานซึ่งเป็นเจ้าวาดก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่วัดนี้ไม่ได้แล้ว ก็เลยพายเรือข้ามฟากบบมาวัดระครังหวังพึ่งใบบุญสมเด็จโตพอไปถึงก็ก่าบสมเด็จโตยังไม่ทานจะเอ่ยอะไรสมเด็จโตก็บอกว่าถ้าอยากสบายก็ทําตัวอย่า ง, างหมาทิจจะซึ่งเล่นเอาพระเทศอย่างงุนงงเพราะยังไม่ได้เอ่ยปากอะไรเลยสมเด็จโตก็พูดต่อว่าท่านเนี่ยไปมีเรื่องกับ พระครูดมชายมาใช่ไหมพระเทกก็บอกว่าใช่ก็ผมก็หวังจะมาพึ่งใบบุญจากท่านเพราะอยู่ไปอึดอัดใจสมเด็จโตก็ชี้แจงว่าเราเดีอยเปพพ็นพระผู้น้อยบางครั้งเรายอมพระผู้ใหญ่คอยดูอย่างหมาดิหมาเวลาที่ยอมแพ้เนี่ย โดยโดยโดยการนอนหงายและให้ตัวที่ชนะขึ้นคอมแสดงอำนาจก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องกะจบด้วยดีพอได้ยินดังนั้นพระเทศก็ก็คิดได้ก็เลยลากลับไม่มาขออยู่วัดละคังแล้วแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเทศก็อยู่ประชาสงครามอย่างมีความสุขคือยอม ยอมเจ้ า, าวาดในฐานะพระผู้น้อยทางผัดแย่งต่างก็ลดลงแล้วมีหลายเรื่องมีเรื่องสม เ, เป็จโตได้ไปพานักเทศที่ญาติโยมชอบมากคือท่านเทศไภเราะมีพร้อมทั้งอัฏถะพยัญชนะมีเรื่องต้นท่ามกลางและที่สุดญาติโยมจึงชอบฟังมีครั้งหนึ่งมีเศรษฐี นิมนต์สมเด็จโตมาเทศที่บ้านสถิีบ้านนี้รวยมากก็เลยบอกสมเด็จโตว่าจะให้การเทศร้อยบาทก็ให้สมเด็จโตเทศได้เ พ, า ะ, เพาะด้วยซึ่งเงินเงินร้อยบาทสมัยเกือบสองร้อยปีก่อนนั้นถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะหลายหมื่นแนมะ่ถือเป็นเงินจำนวนมหาศาลสมเด็จโตก็ พอขึ้นธรรมาตตั้งนโมสามจบจดแล้วก็บอกว่าเอวังก็มีด้วยประกาศชันนี้แล้วก็ให้พอเจ้าภาพเจ้าภาพไม่พอใจมากเพราะเราเสียเงินตั้งร้อยบาทแล้วสมเด็จโตไม่ได้เทศอะไรเลยได้นบนแต่จำเป็นต้องให้เพราะเพราะรับปากไปแล้วพอลูกขึ้นอีกวันหนึ่งสมเด็จโตก็มาบ้านนี้อีก ซึ่งสร้างควงมงุนงงกับเจ้าภาพสมเด็จโตก็บอกว่าอธมาเมื่อวานรับจ้างเทศแต่วันนี้อธบาจะบัตเทศเป็นธรรมทานเจ้าภาพก็ไปเชิญคนมาฟังมากมายแล้วสมเด็จโตก็พูดธรรมะด้วยความไพเลาะจนตลอดกันสมเด็จโตเป็นคนที่เป็นพระที่อาจหารมากบางครั้งก็กล้าพูดตรงๆกล้าแสดงความขัดใจใ น, ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มีอยู่ครั้งหนึ่งสมเด็จโตเนี่ยได้รับนิมนต์ไปเทศที่วัดที่เพิ่งสร้างใหม่วัดในเชื่อวัดใหม่ยายแฟงยายแฟงเนี่ยมีอาชีพเป็นแม่เล้าซึ่งก็สะสมเงินทองมาจากน้ำพักน้ำแรงของโสเภณีแต่ตอนสุดท้ายบรรพายชีวิตเนี่ยมีความสนึนผิดอยากทำบุญล้างบาปก็เลยรวบรวมเงินสร้างวัด ล้วาก็ตั้งชื่อว่าวัดใหม่ใหญ่แฟงแล้วก็นิมนต์สมเด็จโตประเทศสมเด็จโตขึ้นเทศอดได้ท่านก็พูดว่าใหญ่แฟงเนี่ยได้เงินมาโดยไม่ถูกต้องบุญที่ได้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าจะเปรียบกับเงินหนึ่งบาทก็อาจจะได้เท่ากับสลึงหรือเฟืองหนึ่งเท่านั้นซึ่งสลึงหรือเฟืองก็เขา้า เท่ากับ่าตัวโสมนีในยุคนั้นพอเทศจบเนี่ยญาติโยมที่เาฟังธรรมเนี่ยหัวลอกอันล้านสาลาเลยแต่ยายแฟงไม่ขำยายแฟงโกรธสมเ็จโตมากแต่โกรธอยู่ไม่นานยายแฟงก็สำนึกได้ว่าตัวเองเนี่ยได้บุญไม่เต็มได้ตําหน่วยจริงๆเพราะว่าได้เงินมาจากลูกๆของเธอซึ่งขายตัวแล้วนํามาสร้างวัดึ่งต่อหลังก็เปลี่ยนชื่อนะเป็นวัด คณิกาผลคือเป็นว่าที่เกิดจากโสพนีและไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เรื่องเทศจะมีเรื่องปิดย่อยอคือเรื่องที่ฟ้าไม่ตาของหลวงพ่อมีอยู่ครั้งหนึ่งสมเด็จโตเนี่ยไปได้รับดีบนไปเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีสมัยก่อนเอาไปทางเรือมอีช่วงหนึ่ง พอเรือใกล้ถึงบ้านงานเจ้าภาพเนี่ยเรือต้องอ้อมสมเป็จโตก็ขอลงก่อนระหว่างลงและเดินเพื่อจัดรั ด, ล, ดลัดทางไปบ้านเจ้าภาพเนี่ยก็ไปเจอนกกระสาตัวหนึ่งติดแล้วแล้วรักขาอยู่นั่นเลยสมเป็ลโตก็สงสารก็เลยเข้าไปแกะแล้วแล้วปล่อยอนกกระสาไปแล้วตัวเองก็เอาขาเนี่ยแย่เข้าไปติดแล้วแทน แล้วก็ด้างอยู่งนั้นแหละฝ่ายเจ้าภาพก็รอเอ๊ะสมเด็จโตม า, มาตั้งนานแล้วเรือก็มาถึงแล้วทําไมสมเด็จโตหายไปไหนก็เลยออกมาออกมาตามก็เห็นสมเด็จโตติดแล้วอยู่ก็จะไม่ช่วยแกะแล้วสมเด็จโตบอกไม่ได้สมเด็จโตผิดหัวโตผิดโทษอยู่จะต้องรอให้เจ้าของแล้วมาแกะก่อนและยกโทษให้จึงจะอิสระแล้วก็รอจน อยู่พักใหญ่เจ้าของแล้วก็มาแล้วก็แล้วก็ไม่เอาเรื่องแล้วสมเด็จโตก็จะถาสัพพีให้ที่จุปโ ส, สบบรสมเด็จโตเนี่ยไม่ได้คิดแค่ปล่อยนกกระสาเท่านั้นนะกระโจนเจ้าของแล้วด้วยให้อย่าได้ทําบาปทํากรรมเลยถ้ายอมลงทุนเนี่ยเพื่อสอนสอนนงคนสอนแล้วก็คือเมตานกแล้วก็สอนคนด้วยให้กลับตัวกลับใจอย่าทําบาปอย่าเบียนเปลียนชีวิตสัตว์อื่น ให้เดียดร้อนแล้วท่านก็มีเมตตาต่อสุนัขนะมีอยู่ครั้งหนึ่งสุนัขอยู่บนสะพา น, นอนนอนหลับสบายสุเปโตก็ก็ไปกล้าเดินข้ามถ้าก็เดินอ้อมถ้าก็เดินเดินลงมาสะพานคนก็แตกใจาถามว่าทำไมถึงไม่ข้ามหรือไม่ไล่สุนัข สมเด็จโตก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าอดีตชาติสุนัขเนี่ยเคยเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนหรือเปล่าคือท่านมองสัตว์เป็นถึงพระโพธิสัตว์นะมีพุทธะมีสิทธัตถะรู้ได้เหมือนกันพราะพระสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธองค์ก็เล่าว่าก็เคยเป็นสัตว์ตั้งหลายชาติในช่วงที่บำเพ็ญบารมีซึ่งพระโพธิสัตว์นี่จะมีการบำเพ็ญ บำเพ็ญบารมียาวนานมากจะเกิดไปอะไรก็ได้จนกว่าจะได้ตัทรู้สัมมาสัมโพธิญาณทุกกีานานแล้วท่านก็เมตตาต่อโจรด้วยนะโจรสมัยโน้นก็ชุมบางครั้งเนี่ยท่านไปเทศแล้วได้ขอมามากมายไม่จะเป็นหมอเป็นเสือมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็จอดเรือพักพักระหว่างทาง คืนนั้นก็มีโจนภายเหลือมาเทียบแล้วก็มาขโมยเสือแล้วของที่ท่านได้มาจากงานเทศสมเดโตเห็นเข้าก็โยนหมอนให้โจนอีกบอกเอาหมอนไปด้วยสิจ้าโจนก็มาเอาไปแล้วขอบใจแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ที่กุฏิท่านเองอก็มีขโมย ข, าาขโมยตะเกียงโดยเอื้อมือลอดใต้ถุนขึ้นมาพยาจะคว้าตะเกียงแต่ฟ้าไม่ถึงสมเด็จโตเห็นเข้าก็ท่านก็เอาเท้าเนี่ยเขี่ยตะเกียงไปให้ให้ขโมยเนี่ยหยิบไม่ง่ายซึ่งท่านแสดงว่าจิตใจท่านเนี่ยถ้าไม่หวงของเลยที่ได้มามีเมตตามากเงินที่ท่านได้มาจากกิจมนิบรจากญาติโยมถวายท่านก็นําไปสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆ หลายองค์สมัยท่านมีชีวิตอยู่ mm. เมื่อจะเป็นที่ชยโยอ่างทองแล้วก็วัดอินซึ่งสมเด็จโตเลยชอบชอบอะไรที่ใหญ่ๆทั้งจะสร้างพระองค์ใหญ่ๆซึ่งตลอดชีวิตท่านเนี่ยท่านก็แสดงแสดงแบบอย่างที่ดีเป็นคนมากน้อยสันโดษแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเรื่องฤทธิ์ท่านก็มีเยอะแต่ละมาจะไม่นำมาเล่า เรืงสุดเดโตก็จบไว้แค่นี้ก่อนจะไปเล่าถึงอาจารย์องค์อื่นบ้างวันนี้เห็นหน้าชีหีเราจะมาจะเล่าเรื่องของหลวงตาประสิทธิ์ก็แล้วกันหลวงตาประสิทธิ์ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดถ้ำเยปิกสมัยที่เป็นคารวาดชีวิตของท่านเนี่ยค่อนข้างจะโรดโผลมากตอนที่ท่านอายุสามแปดเนี่ยท่านได้พลาดพังได้ พังบือฆ่าภรรยาจนถึงเกิดความตายเพราะเข้าใจผิดคิดว่าภรรยาเนี่ยจะจ้างคนมาฆ่าตนลวงตาประสิทธิ์ต้องติดคุกถึงสิบสองปีท่านก็รับกรรมจนพ้นโทษแล้วท่านก็สันึกผิดก็เลยตั้งใจว่าบวชคือท่านเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมที่คุกนะระหว่างระหว่างนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมตลอดเกิดสภาวะธรรมขึ้นตอนที่ท่านบวชมาอยู่ศรีชังใหม่ เกาะที่ชายป็นเกเล็กๆตอนนั้นยังไม่เจริญว่าไทยไปปีกสมัยก่อนลำบากมากจะไม่เป็นแบบที่เราเห็นในปัจจุบันกลายเป็นอยู่ก็ลําบากแถมคนเป็นเกาะก็จ้องจะแย่งที่กันเพราะเห็นว่าภายบ้างหน้าที่จะมีราคาจึงมีนักเลงเนี่ยมาบิดเบียนท่านอยู่เป็นประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินไปบิทบาทเนี่ย นักเลงก็ด่าท่านต่างๆนานาท่านก็เดินกลับมาหานักเลงคนนั้นบอกว่าเมื่อกี้มึงด่าใครนักเลงก็ชี้หน้าหลวงตาแล้วบอกว่าก็ด่ามึงก็แหละหลวงตาประสิทธิ์ก็บอกว่าด่ามึงก็ดีแล้วนึกว่าด่ากูแล้วท่านก็เดินไปซึ่งทําให้นักเลงคนนั้นยุนงง ไอ้เมื่อกี่กูด่าใครกันน่คือเจ้าของด่าแล้วเจ้าของไม่รับแล้วท่านก็มากระสอนพวกพราพวกชีเดยวัาว่าเราเนี่ยใครมาด่าเราไม่ดีเราก็บอกเขาว่าเราอไม่ดีจริงๆหรอกเพราะเราเนี่ยร่างกายเราไม่ดีจริงๆเพราะว่าเราต้องกินต้องขี้ต้องเยี่ยวร่างกายมีนต่ของเหม็นต้องบริหารตลอดคือมีแต่สิ่งไม่ดีทั้งนั้นให้รับไปแล้วไม่ดี แล้วอะไรใครปรดาก็ดับไปแล้วซึ่งท่านจะสอนลูกศิษย์เรื่องเกิดดับจะเน้นตัวนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเน่ยโดนพานักเลงเนี่ยตีหัวด้วยไม้หนาสามขนาดท่านยอมแล้วพารูปนั้นบอกว่าแน่เหรอแน่เหรอือท่านบอกผมไม่แน่หรอกขนาดขายอมขนาดนั้นมันยังพารูปนั้นใช้ไม้ตีหัวท่านตัวเลือดอาบแต่ท่านก็มีศิษยตามทันนะคือไปดูรู้ว่า คือไปดูรู้แล้วไหอารมณ์โกรธรู้ทันอารมณ์โกรธคือไม่โกรธตอบแล้วก็ดูเลือดที่กำลังอากที่กำลังแตกเนี่ยคือพิจารณาไปว่าเราเลือดล้างธนีสงก็ดีเหมือนกันโดยขณะนั้นจิตไม่มีความโกรธพาธทีตีอยู่เลยพระพระรูปนั้นก็กระด่างตีถ้าอยู่หลายทีจนญาติโยมมาเห็นก็ช่วยดึงตัวออกไปแล้วก็จับสึกพอึกไปแล้วตอนหลังพระรูปนั้นสำนึกผิด ก็มาขอขอมาท่านท่านก็ไม่เอาเรื่องแต่วันนั้นเน่หลวงตาประสิทธิ์ก็โดนเย็บไปสิบเข็มคือถ้าโหสิกรรมให้พระที่ปฏีทีหัวท่านจนแตกซึ่งโดยปกติแล้วท่านเป็นนักเยงเก่าถ้าเป็นสมัยที่เป็นโยมดีไม่มีทางเลยที่จะมาตีท่านได้แต่ท่านยอมแล้วท่านจิตท่านเปลี่ยนเต็มด้วยความเมตตา แล้วต่อมาวัดท่านเปี๊ยกก็เจริญรุ่งเรืองมีพระมีแม่ชีมากมายซึ่งตลอดชีวิตของท่านเนี่ยหลวงตาประสิทธิ์จะสอนให้พระเนี่ยสามัคคีแล้วก็ทำงานร่วมกันซึ่งสิ่งก่อสร้างในวัดเนี่ยก็ใช้พระกับแม่ชี น, นี่แหละช่วยกันทำเป็นกรรมกรที่ดูจะมีกรรมกรเกือบทุกวันทำงานกันทำงาน ใช้เงื่อล้างอัตตารถฟวามเห็นกันตัวสิ่งก่อสร้างในวัดเนี่ยจึงสำเร็จได้จากเดิมที่มีภูเขาคือภูเขาตั้งลูกนะถ้าเใหญปิกเนะี่ยเป็นภูเขาจากไม่มีอะไรเลยจนมีสารามีสถานที่ต่างๆมากมายเกิดจากล ำ, ำพักล้พักำแรงของพระแมชีแต่ก็ต้องใช้ฟาสามัคคีนะถ้าไม่สามัคคีจะทำไม่ได้เลยซึ่ทามาหลายปี และภูมิประเทศก็ลำบากบางครั้งเนี่ยน้าก็ไม่มีต้องอาศัยน้ำฝนซึ่งหลงตาวสิทธิ์ก็ได้สร้างนาสร้างที่เก็บน้ำฝนไว้หลายจุดเพราะถ้าไม่มีน้ําเนี่ยวัดไทยจะลำบากมากท้านนี้ไม่พอนะน้ำอันนี้ยังสามารถแจกชุมชนชาวเกาะสีชังด้วยคือทำประโยชน์ตนเองแล้วก็ยังเผื่อแผ่ประโยชน์นี้ให้กับผู้อื่น ต, ตลอดชีวิตหลวงตาประสิทธิ์เนี่ยท่านสร้างประโยชน์มากมายคือว่าอนุคอแม่ชีซึ่งตามหลัก แ, ลแม่ชีไปอยู่วัดอื่นก็ลำบากอาจจะไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าที่ควรท่านก็มีกองทุนอะไรไว้ให้ทำให้สะดวกในการปฏิบัติธรรมท่านพาที่พระและแม่ชีที่มาอยากว่าท่านปีกเนี่ยจึงขยันและไม่กลัวความยากลำบากคือเคยผ่านความลำบากมาแล้ว บางครั้งเนี่ยความลำบากจะสอนคนนะคือลำบากก่อนสบายทีหลังแต่ละคนไม่เคยลำบากเนี่ยไปอยู่ที่อื่นจะเจอความ ล, ลำบากจะลำบากจะทุกข์มากแต่คนเคยผ่ า, านความลำบากไปอยู่ที่อื่นที่เบากว่าก็สบายซึ่งตอนหลังว่าท่าจีบีก็มีสาขาแตกออกมามากมายซึ่งจากเดิมมันก็มีแค่วัดเดียวเรื่องหลวงตาประสิทธิ์จึงมีประโยชน์มากชีวิตท่านเต็มไปด้วยความโลดโผน แล้วก็เป็นไปด้วยคุณงามความดีตลอดอันมาก็เห็นว่าพูดมาก็อันนี้ก็สมควรกับเวลาจะท่องก่อนให้ฟังก่อนหนึ่งหมู่นกจ้องมองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นฮามเย็นสาไส้เดือนก็ไม่เห็นดินที่กินไปหนอนก็ไม่มองเห็นคูดที่ดูดกินคนทั่วไปก็มองไม่เห็นโลก ต้องทุกโสกบุญญิตยอยู่เป็นนิจสินส่วนชาวพุทธประยุกธรรมตามละบินเห็นหมดสิ่งทุกสิ่งตามจริงเอ่ยขอความสุขความเจริญจงมีแง่ญาติโยมทุกท่าน